วันพุธไปเทศการทางพิเศษคุยกับพนักงานก่อนนะอมนีข้อมูลตลกตลกปรากฏว่าคือตอนนี้คนตกงานเยอะงานอะไรก็ต้องเอาไว้ก่อนอนะ่ะบอกเด็กที่เก็บเงินอนะ่ะที่นั่งอยู่ในตู้ตามทางด่วนนะเด็กปริญญาโทรก็เยอะรา อ, อ้อึอเลยเนาะ ตอนนึกว่าจบขนาดไหนจบพา น, นิดอะไรเงี้นว้าอาชีวะบกปริญญาโทก็เยอะนะปริญญาตรีเนี่ยธรรมดาไรายได้เท่าไหร่หรือไมบางคนก็แสนฮน่าไปนั่งในตู้บ้าง <laughs> บมีนัพนักงานเขาบางคนเงินตั้งแสน เด็กไม่ใช่ทุกคนหรอกนะไม่ใช่ทุกคนออกแล้วเาก็บอกว่าเด็กของเขาที่เก็บเงินเนี่ยนะชอบช้ำใจมากเลยพวกเราผู้ใช้บริการนะี่ชอบดูถูกเขาทำให้เขาเก็บปวดนะเครียดมีรายหนึ่งเราเาคนขับรถมาเาเปิดกระจกจะจ่ายสตังค์นะ ลูกนั่งอยู่ข้างๆก็หันมาสอนลูกหนูโตขึ้นขยันเรียนหนังสือนะจะได้ไม่ต้องมานั่งในตู้เ <c oughs> <c oughs> อนเราก็ขยันนะปรินอาโทรแล้วนะ <c oughs> ของงี้ดูถูกกันไม่ได้เกิดนอะไอย่างที่สุรินสมัยหลวงปู่ยังอยู่นะ แม่ค้าขายผักอะไรเอี้ยคนขี่สำล้อเลยภาวนาดีๆก็มีนะไปดูถูกเข้าก็ไม่ดีเลยมีอยู่คนชื่อใหญ่ใสเกี๊ยวขา ย, ขายผักหน้าไสผักก็เหี่ยวไปหน้าแกก็ใสไปเ <laughs> <laughs> <laughs> มืองนั้นมันร้อนผักมันเหี่ยวง่ายนหน้าร้อนๆจริงๆเมื่อที่ประเมินยาก เหมือนยากหรือบางทีดูเด็กๆเด็กๆอาจจะภาวนาเก่งกว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะภาวนาเก่งคนโบราณสอนพระราชาที่เป็นเด็กน ะ, ะพระราชาที่เป็นเด็กก็สั่งประหารคนได้เหมือนกันงูงูพิษตัวเล็กๆนี่ก็มีพิษร้ายอาจจะกัดตายได้เหมือนกันสมณพราม์เนี่ย กระทั่งพระเด็กๆ เ, เน้นเด็กๆอาจจะพราวนาเก่งก็ได้เยดูถูกไม่ได้หรองั้นทางที่ดีเราไม่ดูถูกใครเลยดีที่สุดเนาะปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> ใครดูแค่กิเลสของเราคนเดียวเราก็แย่แล้ววันๆนะเห็นแต่กิเลสไม่เห็นจะมา่ามันจะดีตรงไหนเลยถ้าเราใครดูของเราไปแล้วไม่ไปสนใจคนอื่นไ ม, ไม่ไปดูคนอื่นเขา ดูของเราคนเดียวค่อยๆล้างกิเลสของเราไปมีสติสมาธิปัญญาอาศัยสติรู้ทันจิตบ่อยๆกิเลสเกิดมารู้ทันรู้ทันศีลมันจะดีขึ้นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตเท่จะสงบรู้ทันจิตที่ไปคิดจิตเท่จะตื่นนี่อาศัยสติอาศัยสติรู้รูปนามไปด้วยจิตที่ตื่นแล้ว ก็ เ, เกิดปัญญาได้ปัญญาเมปัญญาแก่รอบนะวิมุตติก็เกิดเกิดมากเกิดผลเวลาเกิดมากมีสติไหมอริยมรรคประกอบด้วยสติไหมมีก็สัมมาสติ <c oughs> คิดมากไปได้ <c oughs> เวลาเกิดอริยผลมีสติไหมมีไ ม, ม่เอ่ย ไม่มีบรรลุแล้วเหรอมีสติตลอดสายเลยนะสติเวลาเกิดมรรคก็ยังมีสติเกิดผลก็ยังมีสติไม่ใช่ขาดสติงั้นอย่างบางคนภาวนาแล้วบูบหมดความรู้สึกตัวแล้วถอยออกมาเขาบอกบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกนะไม่บรรลุจริงรอ่ะเวลาบารรลุมรรคผลเลยนะไม่ขาดสติเลย ตสติไม่ได้ไปร่อนเร่อยู่ที่อื่นสติไปชุมลงที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาจ ะ, ะระลึกรู้มาระละรึกเองสมาธิก็มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งอยู่ปัญญาก็มีปัญญาอย่างรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละมันลงที่จิตทั้งหมดเลย สติสมาธิปัญญาไปชุมลงที่จิตทั้งหมดเลยแล้วไปชุมอยู่โดยอัตโนมัติไม่ได้น้อมไปไม่ได้น้อมแต่ก่อนที่มันจะเกิดอัตโนมัติแล้วอยู่ในจุดศูนย์กลางได้จริงๆเี้ยนะต้องฝึกกันอันแรกเลยฝึกให้สติอัตโนมัติเกิดต่มาฝึกสมาธิอัตโนมัติตามาฝึกปัญญาอัตโนมัติต้องฝึกให้มันอัตโนมัติขึ้นมาทีแรกไม่อัตโนมัติออก ที่แรกไม่เคยชินที่จะมีสติต้องฝึกให้จิตเคยชินจะมีสติสติอัตโนมัติก็เกิดจิตไม่เคยชินที่มีสมาธิฝึกให้จิตมีสมาธิบ่อยๆจนจิตเคยชินกับสมาธิสมาธิเกิดโดยไม่ได้เจตนาปัญญามันไม่มีที่แรกจงใจน้อมลงไปจงใจเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้ามันไม่ยอมเรียนรู้ก็คิดพิจารณาเข้าไปเลยยังได้เลย ดีกว่าอยู่รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาเนั้นเบื้องต้นอาจจะมีการเจือด้วยการคิดปัญญาในเบื้องต้นเรียกจินตามายะปัญญาแต่ว่าฝึกไปเรื่อยนะด้วยฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น้อมจิตไปคิดพิจารณาต่อไปจิตเคยชินที่จะเดินปัญญาเคยชินที่จะดูกายเป็นไตรลักษณ์เคยชินที่จะดูจิตใจเป็นไตรลักษณ์พอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะมันไปดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์เอง เป็นเองเ น, นี่ยฝึก อ, อย่างนี้ด้มันอัตโนมัสสติสติไม่ได้เจตนาะระลึกมันะระลึกได้เองสมาธิไม่ได้เจตนาตั้งมั่นมันตั้งมั่นได้เองปัญญาไม่ได้เจตนาค้นคว้าพิจารณามันไปดูไตรลักษ์เองเ น, นี่เป็นอย่างนี้ก็เรียนรู้อยู่สติะระลึกอะไระระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจสมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิต สมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมมีสมาธิเป็นแกนอยู่นะสมาธิไม่ได้ไปจ่ออยู่ที่รูปที่นามนะล้าสมาธิไปจ่ออยู่ที่รูปที่นามเมื่อไหร่นั้นเขาเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะทันทีเลยแล่นจิตต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูสติระลึกรู้รูประลึกรู้นามโดยไม่เจตนาในขณะที่ระลึกรู้นามนั้นจิตไม่ถลำลงไปรู้แล้วก็ไม่หลงไปที่อื่นถ้าหลงไปที่อื่นเรียกว่าฟุ้งซ่าน นะถลําลงไปเนี่ยไปเพ่งนั่นจะดูอย่างไม่เผลอไปไม่เพ่งไปไม่ฟุ้งไปไม่เพ่งศักว่ารู้ว่าเห็นจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ตัวเนี้ตัวสําคัญเพราะว่าเวลาอาริยมรรคเกิดจะเกิดตรงจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละไม่ไปเกิดที่อื่นหรอกไม่ไปเกิดที่รูปที่นามอะไรหรอกเกิดเข้ามาที่จิตนี่แหละเพราะั้นเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้นี้ขึ้นมาให้ได้วิธีให้ได้จิตรู้ก็คือรู้ทันจิตคิดนั่นแหละง่ายที่สุดนะ วิธีรู้ทันจิตจิตเบื้องต้นถ้าอินทรีย์เราไม่แก่กล้าไปรู้ทันมันไม่ค่อยจะรู้ก็ช่วยมันหน่อยโดยการหาอารมณ์กรรมฐานมาให้มันอยู่ให้จิตมันอยู่แล้วจิตหนีไปจะได้รู้ไวๆอยู่กับพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันอยู่กับพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันอย่างนี้ก็ได้อยู่กับลมหายใจจิตหนีไปแล้วก็รู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปแล้วก็รู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้รู้ทันบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ ไม่ไหลไปนักปฏิบัตินะในขั้นปุถุชนในขั้นโสดาในขั้นสกทาคาอะไรเนะี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยถลำรู้แทบเท่านั้นน่ะนานๆตั้งมั่นขึ้นรู้ทิ้งพวกเราสังเกตไหมเวลาเราภาวนาจิตเราจะถลำลงไปดูไปรู้ลมหายใจจิตถลำไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องจิตถลำไปอยู่ที่ท้องไปท้องพุโทโธจิตถลำไปอยู่กับพุโทโธย่างดีบางทีหนีไปที่อื่นด้วยซ้ําไป นัจิตไม่ตั้งมั่นหรือเวลาอยากดูจิตงานแรกที่ทํานะคือส่งจิตไปเที่ยวหาไปควานควาอยู่ข้างในนะว่าจะดูอะไรดีใครเคยควานข้างในบ้างหาที่ว่าจะดูอะไรดีว่าเอาสักอันวะหาไม่เจอความจริงส่งจิตไปดูนะจิตไม่ตั้งมั่นแนละ้วจิตถล่มลงไปแล้วเนี่ยถ้ารู้ทันมันตั้งถ้าถึงผ้านาคาันจะเด่นขึ้นมาไม่ไปไม่ไม่ไปอย่างนั้นลนะ ถ้าถ้าดูการปฏิบัติถ้าจิตยังถลำถลำเนี่ยังไม่ถึงตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นพระนาขาเนี่สมาธิบริบูรณ์เด่นดวงอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่พอศีลบริบูรณ์แล้วสมาธิบริบูรณ์แล้วแต่ปัญญายังไม่พอก็อหมดแต่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่แล้วรักษาอยู่ตรงนี้ไม่ยอมเดินปัญญาต่อที่จริงจะเดินปัญญาต่อมีสติรู้รูปรู้รนามนั่นแหละรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอย่างนี้ไนดะ้กนะ็เดินปัญญาต่อได้ แล้วปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วปัญญาเบื้องต้นก็ต้องถ้าจิตมันรู้ตัวแล้วมันไปเฉยนะต้องช่วยมันพิจารณากระตุ้นให้มันดูไตรลักษณ์ให้ได้พอมันดูไตรลักษณ์เป็นแล้วอย่าไปคิดเรื่องไตรลักษณ์อีกโยนความคิดทิ้งไปแล้วรู้อย่างที่มันเป็นไปนะคนละขั้นกันนะเบื้องต้อนอาจจะช่วยคิดแต่ตอนที่จิตเดินวิปัสสนาแท้ๆแล้วไม่ช่วยคิดแล้วจิตรู้เองให้คิดเมื่อไหร่ตกจากวิปัสสนาเมื่อ น, นั้น การคิดเรื่องใจรักษนะ์มีปัญญาคิดเรื่องใจรักษเป็นยานตัวหนึ่งในญาณยาน16เป็นยานที่ชื่อสัมมาสนาญาณยานตัวที่สามคิดเรื่องใจรักษยานที่สี่ชื่ออุทยพยายาิยญาณเนี่ยขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาจะขึ้นจากอุทยาพยายญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามไม่ได้คิดเรื่องใจรักแล้วแต่เห็นใจรักจริงๆนะ เห็นแล้วอินทรีย์ยังอ่อนอยู่สมาธิไม่พอจิตเคลื่อนไปวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นมันวิปัสสนูปะกิเลสเนี่ยเกิดตอนที่เราเริ่มวิปัสนาใหม่ๆสมาธิไม่พอนั้นสมาธิความตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ใช่สมาธิสงบเคลิมงอกงอกแง้งๆงนะไม่ใช่สมาธิเห็นนิมิตนะพวกนั้นใช้ทําวิปัสนาไม่ได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลย พยายามฝึกนะทุกวันสอนสอนนะพยายามสอนพวกเราปลุกให้พวกเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาตอนนี้ใครเจอผู้รู้ได้บ้างละมีไหมยกมือหน่อยสิแกงงรู้เป็นคลาลไม่รู้ทั้งวันหรอกรู้อยู่ทั้งวันมนปูมว่านาคาแล้วนะเรามีแต่ผู้คิดเป็นหลักนึกออกไหมมีผู้รู้แทรกใครเห็นผู้รู้แทรกเป็นช่วงๆวง่างเนี่ยต้องถามใหม่เอย่างเงี้ยเยอะเลย ถ้ามีผู้รู้แทรกเข้ามาแล้วเห็นสภาวะมันเปลี่ยนไปเรื่อยตัวนี้เคเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยนี่แหละเราเดินปัญญาอยูนะ่เราเดินปัญญาอยู่ทํำวิปัสสนานะเห็นเกินดับนี่ฝึกไปหนะ้าที่แรกก็สติะระลึกรู้รูปนามรูปนามแต่จิตตั้งมั่นไม่ถลําไปรูนะ้จิตถ้าทรงสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะตอนที่อาริยามากจะเกิดเนี่ย ไม่ได้ไปรู้รูปนามหรอกจิตจะรวมเข้ามาปนากันตัดการรับรู้ที่แผลกว้างออกทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดการรับรู้นั้นออกนะรวมวงมาที่ใจอันเดียวเห็นไหมสมาธิสําคัญนะที่เราฝึกให้มีตัวรู้ตัวรู้เวลาที่จะเกิดอะไรยะมรกมันมาเกิดที่ตัวรู้นี่แหละไม่ไปเกิดที่อื่นหรอกงั้นถ้าเราไม่มีตัวรู้เนี่ยมีแต่ตัวร่อนเร่อันไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่นู้นที่นี่ไอ้นั่นเรียกเวียนว่ายตายเกิดนะ มันไปเกิดที่อื่นงั้นเร า, าฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาท่านถึงสอนในอภิธรรมสอนสัมมาสมาธิเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือเข้าด้วยกันเป็นที่ประชุมขององค์มรรคักนั้นะจิตประชุมที่ไหนประชุมที่จิตประชุมด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นแล้วสติเกิดที่ไหนที่จิต สัมมาสติส ม, มาทิฐิสัมมาวายามะสัมมาทั้งหลายแหละนะ่เกิดลงที่จิตอันเดียวเลยประชุมลงที่จิตอันเดียวเลยสัมมาวาจาไม่ได้ไปอยู่ที่ปากแล้วจะอยู่ที่จิตสังเกตไหมก่อนปากพูดจิตพูดก่อนสัมมาวาจาตอนที่อริยามรรคเกิดมันพูดอะไรรู้ไหมมันพูดอย่างนี้ได้ยินไหมเนี่ยสัมมาวาจาล้วถ้ายังแงบแงแง บ, แงบเนี่ยมิจฉาวาจานะ <laughs> มั้นประชุมลงที่จิตเลยอนะงค์มรรคแประการนั่นรวมลงที่จิตอันเดียวด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินั่นเองนะตรงนี้อัตโนมัติทั้งหมดเลยนะสติระลึกรู้อยู่กับจิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งมั่นอยู่กับจิตโดยไม่เจตนาตั้งมัน่นปัญญาเนี่ยนะย่างซึ้งลงไปในจิตเห็นการทางานภายในจิตอีกนะ โดยไม่เจตนาสติสมาธิปัญญารวมลงที่เดียวนี่เองอริยมรรคก็เกิดถ้ายัางก ร, ยกระจายอยู่ไม่เกิดอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8ถามว่าอาริยมรรคมีเท่าไหร่มีหนึ่งเท่านั้นนะเวลาเกิดอริยมรรคมีหนึ่งเท่านั้นแต่มีองค์ประกอบ8อย่างมรรคไม่ได้มี8มรรคนะแต่ว่าการเกิดอริยมรรคจะเกิดสครั้ง โสดาปติมัคสัคขาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัคมัคแต่ละครั้งเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่เกิดสองขณะจิตด้วยเกิดหนึ่งขณะจิตเนะงั้นที่เราเจริญสติอยู่ตรงนี้เรียกว่าเจริญมัคอยู่ไหมเห็นไหมเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาวั น, ว, นวันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านครั้งเห็นไหยเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ใช่หนึ่งขณะจิตเพราะงั้นตอนที่เราทําอยู่ตรงนี้ไม่เรียกว่าเจริญมัคอยู่หรอก ตอนที่มักเกิดนั้นเกิดขนาดเดียวแวบบเดียวนั่นเองตอนที่เรากาลังปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าจะใส่ชื่อเรียกว่าบุกพะพาขามักเบื้องต้นของมักยังไม่ใช่ตัวมักแท้มักตัวนี้ยังมกักมากอยู่ใช่ไหมยังมกักมากอยู่ศีลก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมสมาธิก็ส่วนหนึ่งปัญญาก็ส่วนหนึ่งยังแยกกันอยูนะ่ยังไม่ประชุมลงที่เดียวกันที่จิตแต่อาศัยการที่ปฏิบัตินี้แหละ ศีลสมาธิปัญญาถนะ้ฝึกไปเรื่อยๆจะสติชํานาญขึ้นจิตตั้งมั่นขึ้นความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายมันจะไปไประชุมลงที่จิตผู้รู้นั่นเองนั่นพวกเราค่อยๆฝึกแรกเลยเราฝึกให้มีจิตผู้รู้กันจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้จะได้จิตผู้รู้ มีจิตผู้รู้แล้วมีสติระลึกรู้รูประลึกรู้นามร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึ ก, กจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกอย่างที่มันเป็นไม่ได้จงใจค่อยๆฝึกแต่เบื้องต้นอาจจะต้องจงใจะระลึกไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ะระลึกเลยมันจะหนีไปที่อื่นซะนะเบื้องต้นอาจจะต้องจงใจก่อนนะจงใจที่จ ะ, ะระลึกจงใจที่จะรักษาจิตให้ตั้งมั่นจงใจที่จะคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดการเจริญปัญญา เบื้อต้นอาจจะต้องจงใจสําหรับบางคนคนที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วอย่างชาติก่อนๆเขาทำมาเยอะแล้วไม่ต้องทําอะไรมากนะคนขึนมาจุดพลุใกล้ๆตุ้มตกใจจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะแล้วเห็นความตกใจเกิดขึ้นดับไปขาดสนิทต่อหน้าตา ต, าตาๆสติระลึกรู้ความตกใจนี่สติระลึกแล้วนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่สมาธิเกิดแล้วเห็นเลยความตกใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ปัญญาเกิดแล้ว เนไหมเขาเป็นของเขาไดไ้เพราะว่าเขาเคยฝึกถ้าเราไม่เคยฝึกเราก็ต้องฝึกเอานไม่มีใครได้ของฟรีหรอกต้องทำเอาทั้งสิ้นเลยพอสู้ไหมพอสู้ไหมวันนี้ทําไมเทศดูเดือนตั้งแต่เช้าเนาะต้องมีพวกภาวนาเก่งๆอะ่ะมีพวกภาวนาเก่งๆมามาเรียนเอาต่อไปตรวจกันบ้านเอาให้คนอยู่วัดก่อน พยาามดูเรื่องวิถีจิตขอะหลวงพ่อทางปัญจทวารกับมโนทวารก็สังเกตเห็นว่ามโนทวา น, นี่เกิดตลอดเวลาใช่ทำงานเรื่อยบางทีก็เริ่มจากตาแล้วก็มาที่ใจเริ่มจากหูมาที่ใจบางทีเริ่มที่ใจโดยตรงนะเราเรียนเรื่องวิถีมาแนละ้วมาดูของจริงเห็นไหมไม่มีตัวมีตนอะไรเนี่ยธรรมะมีเยอะแยะเลยนะ นี่าเนี่ยมันจะบอกว่าอยู่ในสติปัฏฐานอันไหนเห็นเรื่องวิจีเงี้ย <c oughs> <c oughs> ในสติปัฏฐานายังไม่ได้พูดเรื่องวิจีใช่ไหมงั้นมันมีกรรมฐานนอกสติปัฏฐานนะเราเห็นวิถีของมันนะเห็นวิถีก็เห็นแต่รูปประนามทํางานเกี่ยวเนื่องกันไปนะได้นะฝึกไปหลวงพ่อบอกเระองหนึ่งท่านบอกท่านไม่รู้จะภาวนาไงบอกดูพบไปเลยจิตสร้างพบตลอดเวลานะรู้ทันไปเรื่อยนะสุดท้ายเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะ มีพบที่ไรมีแต Th ่ทุกข์ล้นลนเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเมื่อกี้ก็มีผู้หญิงคนไปส่งกันบ้านเภาวนาไม่เป็นออกพูดไม่เป็นภาวนาไม่เป็นภาวนาเดียว <c oughs> <c oughs> เห็นแต Th ่ทุกข์เห็นความสุขเป็นทุกข์อ่ะมีทําได้สักกี่คนเห็นความสุขเป็นทุกข์ไม่ได้คิดเอาด้วยนะเห็นจริงๆอ่ะใจใสดีเป็นแตมฝึกไปรัก ตกใจค่ะไม่มีอะไรจะส่งเลยค่ะหลวงพ่อจิตสว่างหรือจิตมืดจ้ามากค่ะวันนี้ออกนอกเพ้อคิดตลอดเลยค่ะน่าจิตตนี้มีโมหะไหมจิตหลงใช่ไหมเป็นจิตหลงให้รู้ว่าจิตมีโมหะไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้มันนะคุณสืบสักกรนมรรจารกครับยังยังฟุ้งๆอยู่ครับแล้วก็มีโมหะท่านสั้าแค่นี้ครับ อย่าไปประครองมันครับนเมื่อเช้าจะง่วงมากแล้วก็หลังๆนี่ก็ง่วงน้อยกว่าตอนก่อนทานข้าวแต่ว่ามันก็จะอยากให้ดีแล้วก็นานๆไปมันก็จะไม่พอใจแล้วก็มันก็จะสลับกลับไปคิดด้วยแล้วก็กลับมาฟังหลวงพ่อเห็นไหมมันสลับตลอดใช่มันสลับเองดูออกไหมใช่เนี่ยเฝ้ารู้เพื่อให้เห็นของจริงเนี้ยมันทำงานเองนะมันไม่ใช่เราหรอก สั่งมันไม่ได้แล้วสักช่วงหนึ่งมันก็จะไปกลัวนิดหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะกลับไปจับมันกลัวอะไรล่ะกลัวตัวเราหายไปใช่แต่รู้สึกว่ารักตัวเองมากนั่นแหละมันรักตัวเองเวลาเราเรียนกรรมฐานนะพอเราเริ่มเห็นความจริงกลัวนะบางคนกลัวมากๆเลยแต่ก่อนแต่ไม่ที่กลัวแต่จะรู้สึกว่ามันไม่ทุกอย่างมันไม่เป็นสาระแต่ตอนนี้จะรู้สึกกลัวดีนะคะให้รู้ทันใจที่กลวยนะจะเข้าสู่ความเป็นกลางดีเพราะน่าดี เขาเรียกอะไรยานนะกลัวพระยะตูปฐานะยานนูเก่งนะน้อมรสการหลวงพ่อค่ะเมื่อวานระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยค่ะก็ตามรู้ร่างกายที่เดินไปทีนี้ก็หันไปเห็นต้นไม้ก็เกิดความเหมือนจิตไหลไปคิดแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ย อ, อันนี้เป็นต้นทุเรียนหรือต้นลองกองหรือต้นอะไรเพิ่งแป๊บนึงก็บอกว่า ความรู้สึกสงสัยก็ดับไปแล้วก็เกิดความรู้ว่าจะเป็นต้นอะไรไม่เป็นไรเหมือนเป็นวัตถุอันหนึ่งที่ที่จิตไปดูอะไรประมาณมนี้นก็ที่สําคัญคือรู้ท่านจิตนั่ น, หนแหละแล้วก็ก็มาตามรู้ร่างกายเดินต่อไปอดูอย่างนี้ถูกต้องได้ไดู้ ไ, ดดไปดูเยอะๆกลับนมาสัการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อวานหนูก็พยายามก็คือเดินแล้วก็นั่งแล้วก็พูดโทรไปอ่ะคะ่ะ แล้วก็ไอ้จิตมันไปรู้ที่พูดโทแล้วก็ดับก็สลับกันไปบางทีปากพูดพูดโทใจลอยไปอยู่ที่<ม>อื่นก็รู้มันไป<ม>หรือบางทีพูดโทอยู่เสียงอื่นที่มันเป็นเสียงสยัตว์รอบๆอะค่ะก็โทบที่หู<ม>จิตก็ไปรู้ที่เสียง<ม>แล้วมันก็ดับไปอะค่ะ<ม><ม>ก็ภาวนาทั้งวันนะคะ<ม><ม>ก็เมืวันเป็นวันมาคาด้วยก็ปฏิบัติบูชา องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะดีสาธุโมทนานวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หนูมีปัญหาอยู่ตอนนี้คือความเห็ุผิดในกายอะค่ะมันยึดกายมากแล้วมันก็ทุกมากมได้ะทุกแล้วจนเข็ดนะแล้วทีนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าเวลาที่เราทุกมากมากเนี่ยเราสามารถแผ่เมตตาให้กายมันได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> เวลาแผ่เมตตาเนขะถึงให้แผ่ให้ตัวเองก่อนทำไมไม่ไปแผ่ให้ศัตรูก่อนเพราะไม่เมตตาเรารักตัวเองที่สุดเราแผ่ให้ตัวเองสบายเ <c oughs> ออมันชอบนะ <c oughs> แผ่ให้มันดีมันชอบอะ่ะ <c oughs> พอแผ่ อ, อารมณ์ดีแล้วก็แผ่ให้คนที่เราชอบต่อไปก็ไปแผ่ให้คนกลางๆแลต่อไปค่อยแผ่ให้คนที่เราเกลียด ค่อยๆแผ่างบนี้นหนูก็พยายามแผม่เมตตาให้ตัวเอง <c oughs> เพื่อที่ให้มันคลายความทุกข์ลงอืม <c oughs> ได้เป็นอุบายอันหนึง่งแต่ว่าจริงๆควรจะทําำไหมคะหลวงพ่อหรือว่า <ทำ S 1> ดูดเฉยเฉยเอ้ถ้าดูเฉยไหวก็ดูดูไม่ไหวก็ทําสมถะนั่นแหละ <c oughs> เพราะจิตเราถูกอารมณ์ครอบงําแรงไปค่ะ <c oughs> ถ้ารู้ทันมาถูกอารมณ์ครอบงํามันก็หายจริงๆหนูก็รู้มันเกิดจากการปรุงแตง่งค่ะเออนั่นแหละมันปรุง นี่ถ้ามันปรุงเรามีสติรู้ทันความปรุงก็หายไปแต่ถ้าความปรุงมันรุนแรงมันปรุงไม่ดีมาแรงไปเราก็มาปรุงใหม่ปรุงให้ดีอันเนี้ยเป็นการเอาปรุงดีไปแก้ปรุงไม่ดีนี่เป็นเรื่องของสมรรถะถ้าของวิปัสสนาจิตปรุงอะไรก็รู้อย่างที่เขาปรุงนั่นแหละสักว่ารู้ว่าเห็นนะเห็นนะเขาปรุงของเขาได้เองไม่ใช่ตัวเราแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่ปัญญาจิตหนูยอมรับมากขึ้นว่ามันบังคับไม่ได้ แต่มันยังไม่ไม่หายคล้ำขุนอะ่อน <c oughs> เอาใครมีเหตุผลความจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเอาที่ยังไม่ได้คุยนานๆหน่อยนะเบอร์ยี่สิบสามส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้โอไปอทําสมถะให้จิตมันมันสงบลงมาบ้างมันฟุ้งซ่านนะคะโอก็ไปพยายามทํำนะคะ <c oughs> ก็มีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะโอก็ขับรถกับ จากที่ทํางานนะคะแล้วมันก็มันก็มันก็เหนื่อยๆอ่ะจิตมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าเรายังไม่ได้เดินจงกรมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฟุ้งๆขึ้นมาเหมือนกับว่าคือมันก็คิดขึ้นมาค่ะว่าแบบว่าเราขี้เกียจไม่ได้เรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ทวนกลับมาดูว่าพระโสดาบันเนี้ยคือไม่มีตัวตนแล้วมันจิตมันก็กลับเข้ามาดูข้างในว่าเออเรา ตัวตนของเรามันมันอยู่ตรงไหนยังไงมันเป็นยังไงมันก็กลับเข้ามาดูของมันเองนะคะหลวงพ่อมันเร็วอะค่ะมันก็มันก็ดูแล้วมันก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นนะคะก็ทารูปแบบนะคะแล้วพอพอเสร็จแล้วก็ไปนั่งะคะก็นั่งสมาธินะคะแล้วมันก็เห็นว่า มันมันแยกขันมันแยกค่ะคือคือมุมนี้หลวงพ่อสอนออกมาตั้งนานแล้วนะคะว่าไอ้นุ่นก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแต่จิตมันยังไม่เคยหันไปมองจริงๆริงวันนั้นที่มันนั่งสมาธิอะค่ะมันก็พอดีจิตมันก็รวมได้บ้างพอสมควรนะคะมันก็ไปเห็นเวทนาที่ขึ้นมามันก็วกกลับเข้าไปดูเลยว่ามันก็ไม่เห็นว่ามีตัวตนอยู่ที่เวทนามีความคิดขึ้นมามันก็ กลับเข้าไปดูมันก็คือมันก็ไม่เห็นนะคะมันก็แยกของมันอยู่ในสมาธินะคะทีนี้โอ๋ก็ทําทําไปอะค่ะแล้วก็ทีนี้มันมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย ค, คือโอ๋ทราบว่ามันไม่ได้ตัดอะไรทั้งสิ้นอะนะคะแต่ว่ามั น, มนรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราคุ้นเคยว่าเรามองอะไรมันก็เป็นเราเป็นเราอยางเงี้ยนะคะแล้วโอ๋จำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าภูมิจิตภูมิธรรมของเราอยู่ตรงไหนเราต้องสังเกตดูว่าเรามองไม่เห็นกิเลสอะไรไงเงี้ยนะคะมันก็เลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือน อยากให้หลวงพ่อแนะนาว่าโอ้ควรจะทํำยังไงต่อไปเพราะว่าทุกวัน hmm. น yes. yes, yes. oh. ี้ก็เดินจงกรมก่อนนอนแล้วก็ตอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ทันใจไปนะใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปให้หมดเลยรวงทั้งอยากอยากได้ผลด้วยนะรู้ไปเรื่อยเรืรู้อย่างที่เขาเป็นไม่มีอะไรมากหรอกมันไม่ได้เป็นค้างอยู่ในภพอะไรเหรอคะหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันมันเออเออตอนนี้ใช่ตอนนี้ค้างอยู่ในภพอนหนึ่ง เวลาจิตไปติดพบเนี่ยไม่ต้องไปนั่งแก้มันนะโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกใหม่ลืมมันไปเลยอย่าไปพยายามแก้มันพบตัวนี้บางทีก็เป็นพบมาจากข้างนอกก็ได้นะจิตมันไปรับรู้ความรู้สึกภายนอกเข้ามาหรือจิตปลุงความรู้สึกภายในขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแล้วเข้าไปอยู่ถ้าเข้าไปติดอยู่ก็เป็นพบทั้งนั้นแหละ้วต้องคือต้องทำเนี่ย สมตรตเพิ่มให้เยอะส่วนมวลเยอะๆส่วนมวลเอคะสวนมวลไปเรื่อยส่วนอีที่พ e โซส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะมันทำความรู้สึกตัวลืมไม่ตรงที่มันติดอยู่ตรงที่มันค้างอยู่ร <19 4 S 3> ้อยเก้าสิบสี่กล่าวในมรดกหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายเดือนมากแล้วครับผมไปทํางานอยู่ต่างประเทศครับช่วงนี้ผมอยู่ที่นู่นก็เดินตรงกลมเยอะหน่อยครับแล้วก็ เวลาเดินก็เห็นว่าจิตกับกายมันแยกออกาจากกันนะครับถูกแล้วครับแล้วก็บางทีเวลาเดินเห็นเหมือนกับว่าอรูปที่เดินอยู่ตอนนี้กับรูปที่หยุดนิ่งตอนก่อนจะกลับ ต, ตัวมันคนละรูปกันนะนั่นแหละคนละรูปครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเห็นถูกไหมครับว่าเวลาเราเห็นจริงๆะครับมันไม่มีคําพูดมันไม่มีภาพแล้วผมรู้สึกว่าที่ดูจิตมาทั้งหมดที่เวลาเรามีคําพูดมีภาพเนี่ยครับมันยังไม่โดนจิตใช่ มันไม่โดนกินเลสมันไม่โดนอะไรเลยต้วงมาถึงต้องแบบเงียบๆอย่างนี้มาถึงไปโดนตัวจิตนั่นแหละจ เ, ลเจ้าคุณนอบอกของจริงนิ่งเป็นป้ายของพูดได้ไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องอย่างโน้นก่อนนะพอมันพัฒนาขึ้นมาถึงจะมาเห็นของจริงไม่ทราบผมในอะไรต้องปรับปรุงบ้างไหมครับปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมวันนี้ดูมันนิ่งๆเป็นนิดนึงมั้งครับเอานะมันผิดธรรมชาตินิดนึงนะขอบ<ำ>คุณใช้ได้แล้วนะ ระวังอันเดียวว่าจิตมันต้องถึงฐานจริงๆนะอย่าให้จิตว่ามีแต่ความสุขแล้วกระจายกว้างๆออกไปมีแต่ความสุขอย่างนั้นไม่เอานะถ้ามันกระจายกว้างไปมีแต่ความสุขย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจเลยนะจำตรงนี้นะเดีย๋ยวไปอาจจะไปเจอทีหลังเมื่อสามสิบครับนนมัสการครับหลวงพ่อก็ตอนนี้ปฏิบัติอยู่ก็ ในชีวิตประจําวันก็เห็นกิเลสบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่บางครั้งกิเลสก็ครอบงำไปรู้ไม่ทันนะครับครอบงำไปนะครับทีนี้ทีนี้อยากจะขอวิหารธรรมครับผมสมมติว่าถ้าผมใช้พุโทโธเป็นวิหารธรรมแบบเนี้ครับได้ไดเ้เวลาพุโทโธนี้เราต้องหายใจเข้าเราพุทแล้ ว, ลวหายใจออกเราโธหรือเปล่าครับแล้วแต่สะดวกน ะ, แ, แ, ตะกแต่จุดสำคัญอยู่ที่การรู้ทันจิตตนเอง พุโทโธเราก็รู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆเช่นพุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธเรารู้ทันจิตไม่ได้พุโทโธนิ่งนะแต่ว่าเวลาหายใจเข้าก็พุทก็ได้เราก็ออกก็โธก็ได้ใช่ไมได้ได้แต่อย่าน้อมใจให้ซึมนะอพอพุโทโธประกอบกับลบเนี่ยถ้าหัดใหม่ๆไม่ชํานาญบางทีน้อมใจซึมๆไปถ้าให้ใจมันรู้ใจมันตื่นใจมันเบิกบานรู้สึกตัวไหมอย่าให้เคลิ้ม แล้วแบบนี้เวลาเดินจงกรมแบบนี้ครับถ้าเราใช้วิหารธรรมคือพุทโธอยู่แล้วเราต้องรู้กายตามไปด้ว ย, ยใช่หร <ทำ S 1> ือาเอาเยอะไปไม่ได้เวียนหัวต้อง<บ>ทีละอย่างเออทีละอย่างนะก็คือเวลาเดินจงกรมก็ให้รู้กายไปอย่างเดียว เ, เห็นเห็นกายมันเดินนะหรือคิดพิจรารณาร่างกายไปเลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกําลังเดินอยู่จิตเป็นคนไปดูมันเข้าอะไรเงี้อยอาจะคิดอย่างนี้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับเอา้าสิบแป กาบนมาสการหลวงพ่อคะ่ะ เ, เคยส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็เอาไปปฏิบัติเป็นการเปลีป่ยนแปลงหรือยังเห็นพอสมควรค่ะหลวงพ่อก็ได้เอาคำแนะนำจากหลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วก็มีความสุขดีจนกระทั่งประมาณสักเดือนนี้ค่ะเริ่มรู้สึกมีปัญหาแล้วก็มีคําถา ม, ห น, มหนูมีคำถามสามคำถามาคือหลังจากที่เราปฏิบัติด้วยกัน ดูสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งก็ได้ไปเรียนแล้วก็มีคนสอนเรื่องเจตสิกห้แต่ว่าฟังแล้วงงไม่เข้าใจเลย<ม>ก็เลยจะถามว่าจริงๆแล้วเราจําเป็นจะต้องไปเรียนรู้แล้วก็จํำพวกนั้นทั้งหมดไม่จําเป็นหรอกค่ะขอความกรุณาอาจารย์แนะนําใ ห, ให้ให้เข้าใจเราไปปฏิบัติได้ยได้ยินชื่ออนาถปินทิกะไห ม, ไม อ, อนาถปินทิกะเศรษฐีสมัยพุทธเจ้า พระเจ้ายัางอยู่อนาทถปิณฑิกาเป็นพระโสดาบันนะแต่ไม่เคยได้ยินคําว่าขันห้าเลยในขันห้านะเจตสิกห้าสบสองอยู่ในขันห้าเป็นเวทนาสัญญาสังขารนะแต่ทั้งขันห้าแกไม่เคยได้ยินเลยเจตสิกแกก็ไม่รู้จักหรอกเพราะงี้แกไม่ได้เรียนเจตสิกห้าสแน่นอนเลยแกเป็นพระโสดาบันนะแกเห็นแค่ว่าตัวแกไม่มี รูปธรรมนามธรรม ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาไม่มีตัวมีตนทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยแยกแยะอะไรไม่เป็นหรอกนะแค่นั้นก็พอแล้วคือถ้าเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติแล้วเรามีความสุขใจเราไม่ได้เอาความสุขเป็นหลักหล่ะสังเกตไหมใจเรายึดถืออารมณ์รุนแรงเหมือนเดิมไหมน้อยลงค่ะพรนะอาจารย์นี่ค่อยๆดูไปกิเลสย้อมใจได้มากขึ้นหรือน้อยลงนะน้อยลงค่ะเนี่ยต่ฝึกของเรานะ ภาวนาแล้วมันลดละกิเลสได้จริงๆอะ่ะมันก็ใช้ได้หรอกนะอาจจะไม่ฉลาดแตกฉานพูดธรรมะชชอช อ, ช อ, ชอไม่รู้เรื่องเลยนะแต่กิเลสย้อมจิตไม่ได้เอาก็แค่นั้นแหละค่ะคำถามที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่สอนเราเนี่ยอ า, อาจจะบอกว่าเป็นศรัทธาแล้วหรือว่าเป็นพระอรหรันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ ไม่มีความรู้ว่าจะไปดูคนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างไรเนี่ยเราจะเราจะทำยังไงที่จะเลี่ยงที่จะไม่ไปพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้นะว่าเวลาแนี่ยท่านสอนพระด้วยกัน <c oughs> ว่าถ้ามีพระองค์หนึ่งมาบอกว่าเป็นพระอราหันต์แล้วเนี่ยไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธต้องตรวจสอบนะท่านมีวิธีตรวจสอบท่านสอนแล้วหนูเป็นคนธรรมดาแบบเนี้คะ่ะจะจะตรวจสอบยังไงหรือว่าจะสอบ <c oughs> อไม่ได้ดเราไม่สนใจคนอื่น ใครก็จะเป็นพระอรหันต์เขาบอกเขาเป็นพระอรหันต์สาธุบุญของเราได้เจอพระอรหันต์เออเขาบอกเขาได้นาคาสาธุเป็นพระนาคาแต่ต่อไปนี้จะขอดูกิเลสตัวเองพระนาคาไปให้พ้นเมื่อล้างกิเลสแทนเราไม่ได้หรอกหมายความว่าถ้าเราคุยแล้วเราสบายใจเราก็คุยต่อไปไม่ให้เอาสบายใจ<ะ>ดูไปละจิตลดละกิเลสไหมจิตคลายความยึดถือในสิ่งต่างๆลงไปไหม หรือว่าภาวนาแล้วจิตติดความสุขภาวนาแล้วมีแต่ความสุขแล้วก็พอใจอยู่ในความสุขอันนี้ไปไม่รอดละติดละ<ม>เพราะงั้นเราไม่ได้เอาความสุขเป็นหลักนะค่ะคือสมมติว่าเราปฏิบัติจนจิตเราละเอียดแล้วพอที่จะเห็นว่าโลกนี่มันมั น, ม, นมันทุกข์มันเยอะอะคะทุกข์มันถาถมเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดความเบื่ออะไรเงี้ยบางบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนจิตมันจะรับไม่ไหวแล้ไม่ไหวทําสมถะคือ สมมติว่าเราเกิดความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตมันจะเริ่มทนไม่ไหวละเราก็ลองนั่งสมาธิเพื่อดูว่ามันจะหายไปไหมมันไม่หายมันยังไม่หายก็ไปลองหาความสุขแบบอื่นที่ทําให้จิตมันสบายใจขึ้นเสิร์ฟังเพลงรดน้ําต้นไม้ไปเที่ยวบ้างมันก็ไม่หายบ้างมันก็ไม่หายค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ควรจะอย่างนี้ควรดูไปสู้ตายเลยคือเวลาภาวนานะตอนที่จะได้ของดีบางทีมีแต่ทุกข์ล้นล้นนะไม่มีทางหนีเลย นั้นต้องสู้ตายค่ะดูจนกว่ามันจะไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ดูจนให้มันไปนะเนี่ยใจยังเกลียดมันอยู่ <c oughs> ไม่เป็นกลางเราไปรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไป เ, เวลามีความสุขล้วก็ยินดีพอใจน ะ, ะมีความทุกข์ใจยังไม่ชอบอยู่ให้รู้ตรงที่ชอบไม่ชอบนี่แหละค่ะนะขอบพระคุณค่ะพอาจารย์ทางนี้บ้างเมื่อกี้เห็นยกมือไหว่ไหวรอยแปดปดค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากจะเมตตาขอความเมตตาจากหลวงพ่อให้ช่วยดูว่าที่ปัจจุบันที่ทำอยู่แล้วก็ขาดความต่อเนื่องไม่ทราบ ว, ว่าควรจะต้องแก้ไขอย่างไรอะให้ <ไร S 2> ถ้า <อะ S 2> ขาดความต่อเนื่องต้องต่อเนื่องนะไม่ไม่ทราบ ว, ว่าควรจะแก้ไขตรงจุดไหนเจ้าคะ่ะแก้อะไรล่ะมถึงแก้ไม่ต่อเนื่องเหร อ, ค, อคือคือควรจะปฏิบัติให้แก้ไขที่ตรงจุดไหนที่จะทำความต่อในืครู้ทันกิเลสของเราให้เยอะๆเลยนะ กิเลสเกิดที่ใจเราเราคอยรู้ทันบ่อยๆไห ม, มเราจะเห็นในใจเรานี่ถูกกิเลสฟัดเบี่ยงมีทุกข์มีโทษเยอะคอยรู้มากๆ<ม>ต่อไปมันจะเห็นในทุกคราวที่กิเลสเกิดนําความทุกข์มาให้นะไม่ใช่นําความสุขมาให้พอเห็นอย่างนี้นะใจจะขยันภาวนานะมันกลัวทุกข์หรอกที่ขี้เกียจภาวนาก็เพราะว่ากลัวทุกข์คือกลัวภาวนาแล้วทุกข์ แต่ถ้าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆแล้วมันจะขยันดูนะเพราะมันกลัวความทุกข์แล้ว <Okay. S 1> พูดฟังยากไหมภ า, าษาไทยเนี่ยแสดงว่าที่ทำอยู่ยังไม่กลัวทุกข์เหรอจร๊ะยังไม่กลัวยังสนุกอยู่โลอกยังอะไรไรอยู่ใช่ไหมไม่กลัวทุกข์หรอกแต่ไม่ชอบทุกข์ <c oughs> แต่ไม่กลัวหรอกพูดฟังยาก อาเบอร์ย1หนึ่งขอบพระคุณค่ะข้างหน้าเนี่ยส่งมาข้างหน้าข้างหน้ากราบนมัสการพระอาจารย์รวงพ่อนะคะโ mm hmm. ยมก็ปฏิบัติภาวนาพุทโธมานานมานานพอประมาณนะเจ้าค่ะ mm hmm. แต่นี้ก็พิจารณาไปแล้วรู้สึกมีแต่ความว่างเปล่า mm hmm. แล้วแต่แล้วทำยังไงก็มีแต่ความว่างเปล่าก็อยากจะขอคำ นนแนะนำจากผู้อาจารย์ว่าควรจะยกระดับจิตยังไงฮะมันไม่ว่างจริงครับนะพอพุทธโธแล้วนะคิดพิจารณาร่างกายฉีกร่างกายออกเป็นส่วนๆเลยนึกกระชากเราเลยนะดึงแขนไปข้างดึงขาไปข้างฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆ ๆ, ๆไปเล่นอย่างนี้นะเออไปลองดูแล้วถ้าหากว่าพุทธโธแล้วเรามาเปลี่ยนคาบริกรรมอันอื่นนี่ จะมีเป็ น, ปนยังไงคะนะเคยพุโทโธแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมัน mm hmm. พุโทโธเสร็จแล้วนะ่าใจมันติดนิ่งๆว่างๆอย่างนี้นะี่ฉีกล่างกายเป็นชิ้นๆเลยสนุกนะ mm hmm. ดึงหัวหลุดไปข้างดึงหูควัวกลูกตาอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ย mm hmm. จิตมันจะเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนพอจีบเป็นเคลื่อนแล้วแต่ไปค่อยๆสังเกตเลยเ อ, อผมที่ดึงไปอยู่ข้างหนึ่ ง, ง, ก, ก, ก, ก, งก็ของถูกรู้ลูกตาที่ควักไปน้นก็ของถูกรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยเด่นดวงขึ้นมานะ ไปฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆเลยอ๋อแล้วก็จะได้เดินไปก็จะสนุกรู้วไหมเพราะว่าพื้นเดิมเราขี้โมโหมากเลยจําฉีกมันเลยให้สนุกไปเลยแล้วจะพบทางวิปัสสนาแล้วจะพบตัวรู้จะได้ตัวรู้ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ได้ตัวรู้เออจะเห็นเลยผมคนเล็บฟันหนังนะที่เราฉีกมันเป็นส่วนๆนะของถูกรู้หมดเลยจิตเป็นคนดูอยู่ค่อยฝึกอย่างนี้ โยมโกก็ขออนุญาตปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจ<า>๊ะดีๆนะไปอะลองแยกร่างกายดูนะฉีกเป็นส่วนๆวนไปลอง <คะ S 1> สนุกนะพิจารณาขันห่านะคะอเบอเก้าสิบสองกลับมาสักการหลวงพ่อครับปฏิบัติก็ทุกวันครับมันดูเหมือนกับฟาดฟันจนสู้ตายเหมือนจะตายมาหลายวันแล้วครับหลวงพ่อแต่ก็ ยังทำไปเรื่อยครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมครับยังไม่พอยังไม่ตายหรอกครับผมใจอะยังมีความหวังอยู่ยังไม่ถึงกับสิ้นหวังหลังชนกำแพงมันคิดว่าทำอย่างนี้แหละว่าอีกนิดนึงก็ไปได้แล้วมันจะคอยหลอกอย่างเงี้ยเราต้องรู้ยังไงต่อครับผมทำอีกทำไปอีกยังไม่พพนะนะมันยังมีความมุ่งมั่นอยู่มีหมีครับเออนะมันหลอกอยู่ครับผม ห้าร้อยห้าสิบแปดกรรมธมสการหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งการบ้านครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าออย่าขี้เกียจ น, นะครับก็กลับไปฝึกตั้งแต่ตื่นยันหลับนะครับแล้วกอะไรนะกลับไปฝึกตั้งแต่ตื่นยันหลับนะครับ<อ>แล้วก็ทําในรูปแบบสม่ําเสมอก็รู้สึกว่าธาตุขันมันมันก็แยกออกไปครับแล้วก็เห็นธาตะขันมันก็ทํางานของมันเองอครับต้องอย่างนั้นสิ รู้สึกมันบังคับไม่ได้สักอย่างครับเอครับถูกแล้วต้องดูไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ดูนิดๆหน่อยๆนะครับดูกันแรมเดือนแรมปีเลยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้แหละครับแต่รู้สึกว่ามันมันยังดูไม่พอไม่พอไครับนะถ้าพอแล้วมันล้างกิเลสได้นะครับหลพอมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับเต็มสู้ตายเลยทําอีกครับขอบพระคุณครับอ้าว นามส ก, การค่ะคือปฏิบัติเรียนกับหลวงพ่อมาได้7เดือนนะคะแล้วกำลังจะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศคนเดียวประมาณ2ปีเลยอยากให้หลวงพ่อช่วยการุณาตรวจสอบว่าที่ทำอยู่มาทุกวันนี้ค่ะถู ก, ถกปจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็พยายามจะควบคุมให้ตื่นเต้นไม่ะคะ่มมันนะค่ะรู้รู้จักจิตที่ถึงฐานไหม เป็นบางครั้งเวลาที่อย่างเช่นเวลามาที่นี่จะจะรู้ว่าถึงฐานแต่ถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านไม่ค่อยถึงนะคะแล้วต้อซ้อมนะวิธีซ้อมให้จิตถึงฐานี่ก็คือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะฝึกตัวนี้ให้เยอะนะแล้วไปอยู่เมืองนอกคนเดียวก็ไม่เหงาด้วยเพาเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดแล้วไม่มีเวลาเหงาเลยความเหงามันเกิดจากหลงไปคิดแล้วนะไปฝึกตัวนี้ให้มากนะพอจิตตั้งม่นแล้วก็ดูกายดูใจเขาทางานไปเบอร์หนึ่ง <S <S หนึ่ง กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเข้าใจว่าตอนนี้กําลังจิตเขากําลังเรียนรู้แยกรูปกับนามไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมเจ้าค่ะแล้วระหว่างจิตนิ่งเฉยๆกับจิตเป็นกลางมันต่างกันตรงไหนเจ้าค่ะจิตนิ่งเฉยๆอนะจิตขี้เกียจจิตขี้คลานสิจิตเป็นกลางเนี่ยนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่จิตไม่หวั่นไหวไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงเพราะความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่นิ่งเฉยหรอกนเราไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นกลางหรือว่าเฉยเจ้าคะ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเจ้าค่ะขมไหมขมค่ะโอ้ยไม่ไม่กลางหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่กลางด้วยไม่เฉยด้วย9 5กราบดําเนินพการพระอาจารย์เจ้าค่ะเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่ก็มีเรื่องจะขอคําแนะนําพระอาจารย์คือ เวลานั่งภาวนาตอนดึกๆอะก็จิตจะรวมนะคะพราจิตเริ่มรวมปุ๊บก็จะเกิดความรู้สึกกลัวอืก็ก็ได้ไม่ก็ไม่ปรุงแต่งต่อค่ะว่ากลัวอะไรแต่ว่าก็ไม่หายกลัวก็ในที่สุดก็ต้องลืมตาก็เป็นอันว่าจบทําอะไรต่อไม่ได้ให<ด>้อย่าไปกลัวมันคิดอย่างนี้นะว่าเราจะขอภาวนาบูชาพระพุทธเจ้านะถ้าจะตายก็ตายด้วยการบูชาพระพุทธเจ้ายอมสละชีวิตเลยไม่ตายหรอกแล้วนั่งไป ทำนะดะ ไ, ได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีภาวนานได้ดีอยู่กราบขอพระคุณเจ้าค่ะพิถูกมันหลอกนะมันหลอกให้เราเลิกไปฝึกต่อฝึกได้ดีแล้วมาอยู่ในชีวิตประจำวันคอยรู้ทันกิเลสไว้เบอร์ห้ากราบน้ำมศการครั บ, บ, ร ค, รบคือตอนนี้ก็รู้ถี่ขึ้นพุดดังนี้อหลวงพ่อแก่แล้วพุทธหอตอนนี้ในชีวิตประจำวันก็รู้ถือ ขึ้นนะครับออแล้วก็คือมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโยนิโสมนศสิการว่าคือมันต้องอาศัยการคิดไหมครับใช่แล้วแล้วทำยังไงถึงจะไม่คิดหลอกเข้าข้างตัวเอง ค, คือต้องคิดให้ได้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนถึงจะเป็นโยนิโสนะคิดเอาเองไม่เป็นโยนิโสนหรอกฟอุ้งซ่านนเช่นเราภาวนานะแล้วก็จิตเราว่างอะไรเงี้ยถ้าเรามีโยนิโสนเราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความทุกข์ นี่เราไปอยู่ว่างๆมีแต่ความสุขทั้งปีทั้งชาติเนี่ยไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วต้องทำอะไรผิดสัอย่างหนึ่งเนี่ยค่อยๆสังเกตเอาโนะยนิโสมนสิกาเนี่ยต้องเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วนะขอกันบ้านเพิ่มเติมใจสงบพอหรือยัง ย, ย, ย, ยังไม่ค่อยนี่นะก็ทำความสงบด้วยนะความสงบไปแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงาน พอฝึกได้ไม่ยากนักหรอกครับขอบพระคุณครับเบอร์แปดสิบสามอยู่ข้างหลังน้นข้างหลังมี่คนการบินกราบกราบอาจารย์ครับไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณปีแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ใช้พุโทโธเป็นเครื่องอยู่ก็จะเห็นว่าจิตคิดไปทั้งวันฮะแล้วส่วนใหญ่ก็จะหลงไปอยู่กับความคิดอาจารย์บางครั้งมันก็กลับไปเพ่งอาจารย์แต่พอเพ่งเนี่ยย้อนดูพอเห็นความอยากมันก็มันก็คลายไปอาจารย์ พาวนาได้ดีนะตสดูออกไหมครับทีนี้มันนานนะประมาณปีก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันยังถูกทางไหมถูกนะสินะจิตก็มีเรี่ยวมีแรงดีอยู่คราวนี้ดูขันแล้วทํางานไปด้วยนะเราเป็นแค่คนดูดูบ่อยๆไปแล้วถึงเวลาก็ทําสมถะเข้ามาทําความสงบเข้ามาใช้ได้แล้วละ่ะครับก็ดูอย่างนี้ต่อไปนะจ๊ะพอแล้วจ๊ะไปได้ครับขอบคุณครับ เบอร์สามเบอร์ามัศ ก, การพ้าจานนะคะคือเราถางผ้าจา์ว่าก็ปฏิบัติมาเป็นปีอะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าติดคล้องอยู่ที่ไหนอะคะ่ะติดคล้องเหรอทำไมคิดว่ามันติดคล้องอ่ะก็ก็เผลอนานอะคะ่ะเออเผลอนานไม่ดีนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เลยเป็นระหลงหลงยาวนะแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธให้พอมันหลงไปเดี๋ยวมันก็ลืมพุโทโธแล้วก็นึกได้ลืมพุโทโธไปละหลงไปละนะให้จิตมันมีเครื่องอยู่ได้ซ้อมรู้สึกตัวให้ว่องไวทุกวันทําในรูปแบบนะทําในรูปแบบพุโทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะได้มีกําลังนะตอนนี้แรงน้อยไปฟุ้งไปไหมฟุ้งค่ะแรงมันอ่อนไปหน่อยนะ พระอาจารย์คะเวลาที่ผักผ่อนน้อยเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันจะหงุดหงิดง่ายอะคะ่ะอธรรมดายังเด็กอยู่นอนไม่พอก็หงุดหงิดกินไม่พอก็หงุดหงิดแล้วอย่างเงี้ควรจะเดี๋ยวอีกหน่อยแกแล้วหาย <c oughs> <c oughs> ต่ออย่าไปหงุดหงิดใส่มันนะใจเราค่อยรู้ทันใจเรื่อย มันมีกิเลส ช, ชนิดหนึ่งชื่อกุกุจจกกุกุจานี่เป็นกิเลสของคนรักดีมันจะราคาญใจตัวเองว่าความชั่วก็ยังไม่ละความดีก็ยังไม่ได้อะไรงเงี้ยตัวนี้มันจะหลอกนักปฏิบัตินะจะทำให้ฟงซ่านได้ไม่ดีให้คอยรู้ทันเ อ, เอาไปกลับบ้านกลับบ้านกับเลย